สัรัตชังสเสนังสบันทุงนรินดังปริตาณุบาวะดารากตุตปริตวานเมตังสมีตาปันตาอวิคิตจิตาปริตังปันนตุสัคเเกเมจรูเปกิริศิขาราตเตจันตลิเควมาน อิเประเทจขามิตรวันคหาเนเคหวัตุไมเคเตภุมมาจะยันตุเทวาชลาทลวิสเมยขคันทับนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันตุธรมมาสวนาคาโลอยัมพันตา ธรรมสวากาโลอายมปทันตาธรรมสวากาโลอยยมปัตันตาสมันตาจักวาเลสุอัตตากาจันตุเทวตา สัตถมังโมนิราชาสัสุนันตุสักขโมคขะทังสะเคกาเมจะรูปเปกิริสิการาเตจันตาลิเควิมาเนที่เประเทจะคาเมตรุวานาคาเน วาทุมหิเคเตอุมมาจายันตุเทวาชรทราวิสเมยักคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวาชนงสาทวเมสุนันตุ ธรรมสวาณากาโลอายมพาทานตาธรรมสวาณากาโลอายมพาทานตาธรรมสวาณากาโลอายมพาทานตา